คอลัมน์ไดอารี่หมอดูตอนเช้าวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนัดไว้ประมาณสิบโมงก็นั่งรออยู่แล้วเขาก็มาถึงลูกค้าสองคนนี้หน้าตาคล้ายกันรูปร่างก็คล้ายกันบ่งบอกว่ามีบุญกับกรรมเก่าในอดีตมาคล้ายกันก็เลยตกแต่งหน้าตาให้เหมือนกันทั้งสามีและภรรยาซึ่งก็มักจะมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อตาตามกันมาว่า การที่คนจะเป็นเนื้อคู่กันจะต้องมีหน้าตาคล้ายกันจึงเป็นคู่กันความจริงแล้วการเป็นคู่กันไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนกันก็สามารถเป็นคู่กันได้แต่สำหรับบางคู่ในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันมาจริงๆและเวลาทำบุญก็ได้ทำบุญแบบเดียวกันหรือได้อนุโมทนาบุญร่วมกันมาบ่อย หรือถ้าช่วงไหนอีกฝ่ายทำกรรมไม่ดีก็มีการยินดีในบาปร่วมกันมาก็จะเป็นเหตุทำให้หน้าตาเหมือนกันได้หรือบางคนที่ไม่เคยเป็นแม้กระทั่งพี่น้องกันแต่ก็หน้าตาเหมือนกันเพราะเคยทำบุญกับทำกรรมลักษณะคล้ายกันมาแต่หลายคนที่เคยเป็นคู่กันมาหน้าตาไม่เหมือนกันก็เพราะมีความแตกต่างกันทั้งการทำบุญและทำกรรมสำหรับสามีภรรยาคู่ที่มานี้ ถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันก็จริงแต่ดูจากวิธีคิดในปัจจุบันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากพี่ผู้หญิงจะให้อภัยได้ง่ายไม่ค่อยถือสาหาความอะไรใครเท่าไหร่แต่พี่ผู้ชายค่อนข้างเจ็บแล้วจำมีนิสัยออกแนวพยาบาทหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่จําทั้งคู่จะมีนิสัยด้านดีในอดีตคือชอบทาทานชอบช่วยชอบให้คนอื่น แต่ชาตินี้ทั้งคู่ค่อนข้างจะไม่ได้ทำบุญมาเท่าไหร่แต่เวลาในอดีตที่ทั้งคู่ทำการค้ามักจะมีเอาเปรียบคนอื่นมาและค่อนข้างจะติดไปทางด้านฉลาดแกมโกงหน่อยเลยทำให้ทั้งคู่ในชาตินี้มีดวงการเงินวินาศทั้งคู่และปีนี้ก็เป็นปีที่กรรมเรื่องเงินให้ผลด้วยก็บอกเขาไปว่า ปีนี้กรรมเรื่องเงินที่พี่ทำมาจะให้ผลพี่นะจะทำให้ชีวิตโดนโกงได้ง่ายนะเขาก็งงนิดหน่อยและก็บอกมาหลังจากนั้นว่าหมดตัวแล้วครับเงินวินาศเหมือนที่บอกไว้จริงๆปีนี้โดนโกงทั้งปีรวมเป็นเงินหลายล้านแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี้ทั้งคู่ค่อนข้างจะมีฐานะแต่ภายในปีเดียวหมดตัวได้เลยเมื่อสามีเป็นคนไม่ให้อภัยจากข้างใน มีความเจ็บแค้นลึกข้างในทนไม่ไหวคิดว่าคนที่ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนนั้นจะรอกรรมให้ผลเขาเองไม่ไหวแล้วมันช้าเกินไปเขานี่แหละจะเป็นคนที่ทำให้เองว่ากรรมมันทันชาตินี้เลยตัดสินใจฟ้องร้องเป็นคดีความด้วยความเจ็บใจในวงเล็บไม่ใช่ว่าจะฟ้องร้องเป็นคดีความไม่ได้ฟ้องได้ถ้าทำตามหน้าที่และคิดว่า ถ้าไม่ทำจะทำให้คนกลุ่มใหญ่เดือดร้อนวงเล็บติดหลังจากนั้นมาอีกสักพักไม่เกินสามเดือนธุรกิจที่ลงทุนไปอยู่ก็มีลูกค้าอีกหลายรายโกงอีกและแต่ละคนโกงหลักล้านทั้งนั้นชีวิตทั้งปีพศส5 4 8นั้นโดนโกงทั้งปีจากที่มีฐานะมากกลายเป็นคนที่จนได้ภายในเวลาปีเดียวและแม้กระทั่งก่อนที่จะหมดตัวคิดจะเปลี่ยนธุรกิจ มีเงินเหลือก้อนสุดท้ายคิดว่าจะลงทุนใหม่โดยไปสั่งของจากต่างประเทศมาขายเพื่อทำการค้าตัวใหม่แทนตัวเก่าก็เริ่มสั่งของมาเต็มโกดังสินค้าแต่สินค้าถูกห้ามจำหน่ายเพราะไม่ได้มาตรฐานแม้กระทั่งการลงทุนใหม่อย่างพังเขาเลยสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตและชีวิตมันเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจอ เพราะที่ผ่านมาบุญให้ผลมาตลอดจนเขาชะล่าใจไม่ทำบุญเพิ่มที่ได้บอกเขาไปว่าพี่ทั้งคู่เคยทำกรรมเรื่องเงินไว้เคยร่วมกันโกงคนอื่นทั้งสามีและภรรยาทำให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายเรื่องเงินมาแต่ก็ได้ทำบุญมามากทำให้ต้องมีฐานะที่ไม่ลำบากในตอนแรก แ, รกแต่พอถึงเวลาดวงตกกรรมให้ผลยังไม่มากจิตใจขณะนั้น เกิดความพยาบาทเจ็บใจและหยากเอาคืนและก็เอาคืนโดยการฟ้องร้องแทนความเจ็บใจความโกรธและเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่ดึงกรรมในอดีตมาเล่นงานอยู่เรื่อยๆถ้าตอนนั้นเขาให้อภัยได้จริงๆหรือหลังจากนั้นได้ให้อภัยก็จะไม่โดนแรงมากการที่ใจผูกใจเจ็บไม่อภัยณัดนะตอนที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็เล่าด้วยความเจ็บใจ และยังอยากเล่าให้ฟังถึงความชั่วของคนคนนี้อยู่เลยซึ่งการไม่ให้อภัยจะเป็นตัวเชื่อมกับกรรมเรื่องเงินในอดีตที่ทำให้คนอื่นอีกหลายคนที่เขาต้องเดือดร้อนเพราะตัวเรามาให้ผลเราเรื่อยๆและปัจจุบันตอนต้นชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ทำบุญมามากด้วยพอได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเรื่องเงินจึงค่อยมาทาบุญและเข้าวัดมากขึ้นและการทาบุญในปีที่ผ่านมา ใจิตใจมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่คิดแต่ว่าว่าการทำบุญเท่านั้นที่จะช่วยให้กิจการงานดีขึ้นเหมือนทำบุญหวังผลมาทั้งปีแบบนี้บุญจะให้ผลชาติหน้าดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องแก้อันดับแรกคือการให้อภัยคนที่ทำให้เดือดร้อนก่อนและทุกครั้งที่เกิดความเจ็บใจต้องให้อภัยอยู่เรื่อยๆให้อภัยไม่มีจากัดและไม่โทษคนอื่นฝ่ายเดียว และพยายามให้แผ่เมตตาให้เรื่อยๆอันดับต่อมาก็ให้สละทานโดยพยายามมองถึงเงินที่ตัวเองเสียสละไปกับคนอื่นนั้นมีประโยชน์กับตัวคนรับอย่างไรจะทำให้ใจมีความสุขเองใจจะได้ไม่ไปอยากให้ดวงเรื่องเงินดีขึ้นเร็วและส่วนเรื่องการเงินทางโลกทางด้านการค้าก็ยังเดินไปได้แต่อาจจะต้องลดขนาดบริษัทลง ตามสภาพที่ต้องแก้ไขใหม่การที่เจ็บใจหรือโกรธแค้นไม่ยอมรับว่าเป็นกรรมของเรามัวแต่ไปโทษคนอื่นว่าเขามาทําเราอยู่ฝ่ายเดียวจะทําให้เกิดความเจ็บใจอยู่เรื่อยจะเป็นตัวดึงกรรมที่เราทํามาเล่นงานเราเรื่อยๆแค่ความเจ็บใจหรือพยาบาทเกิดขึ้นในใจเราแค่หนึ่งนาทีก็เหมือนไฟในนรกมาอยู่กลางอกเราแล้วถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเรื่อยๆ โทษมันต้องตามมาอีกมากแน่นอนเราไม่ได้ฝึกให้เป็นคนไม่โกรธใครแต่เราฝึกเป็นคนที่โกรธคนอื่นแล้วพยายามให้อภัยให้เร็วที่สุดในสายตาคนทางโลกอาจจะมองว่าเราโงา่แต่ภายใต้ความโง่นั่นคือความสุขความสุขจากการพ้นไฟนรกหมอพี